ก็เป็นวันเข้าบพรรษาที่จริงยังไม่ถึงข้ามวันนะอันนี้ก็ยังยังไม่ถือเป็นวันเข้าบพรรษาทีเดียวต้องรอสว่างก่อนสว่างก็แปลว่านาทศการข้าบพรรษานะเริ่มต้นขึ้น <c oughs> เทศกาเข้าบพรรษาก็สำหรับชาวพุทธนะ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 ภาษาบาลีมันแปลว่าสิกขานะสิกขานี่ก็หมายถึงการฝึกฝนไม่ใช่ว่าไม่ใช่หมายถึงการเรียนแบบทั่วๆไปนะอย่างสิกขาบทเนี่ยสิกขาบทก็คือคือที่แปลว่าบทศึกษานี่ก็คือข้อปฏิบัติสำหรับพระวินัยแต่ละข้อแต่ละข้อเรียกว่าสิกขาบทมันแปลว่าก็แปลว่าข้อศึกษา อย่างจริงก็คือข้อปฏิบัตินั่นเองไตสิกขาหรือว่าสิกขาสามเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการฝึกฝนพัฒนาศีลสมาธิและปัญญาสิกขาหรือว่าศึกษาของชาวพุทธนี่มันไม่เหมือนกับศึกษาของคนทั่วไปเดียวนี้คนทั่วไปเนี่ย ผู้มีการศึกษามากเนี่ยเนี่เราบอกผู้มีการศึกษามากนี่ก็หมายถึงคนที่เรียนเยอะเรียนถึงปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกเนี่ยกว่าผู้มีการศึกษาแต่ว่านิสัยใจคอจะแย่ก็ได้จะเป็นคนที่โมโหร้ายเป็นคนที่เอาแต่เที่ยวเล่นนะติดเหล้าเมายา อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นผู้ที่มีการศึกษาหรือว่ามีสิกขาที่ดนะีสำหรับชาวพุทธนะชาวพุทธเรานี่สิกขาคนที่มีการศึกษามากเนี่ยก็คือผู้ที่มีกิริยานะมีศีลนะมีสมาธิมีปัญญา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 เซคาบุคคนี็คือว่าพระอาหารหันต์นั่นเองคือจบกิจแล้วไม่มีความจำเป็นต้องศึกษาหรือฝึกฝนพัฒนาตนแล้วจบนะนพวกเรานี่ยังเป็นเซขาบุคคลอยู่นะก็คือว่ายังต้องศึกษาต่อไปยังต้องศึกษาแม้แต่พระโสดาบันตะกิจทานาคามนี่ก็ยังคือเป็นเสขาบุคคลนะยังต้องศึกษาอยู่ คือฝึกฝนนะพัฒนาลดละกิเลสจนไม่เหลือเลยนะถึงจะเรียกว่าจบการศึกษาคราวนี้เราก็มานะเริ่มเริ่มต้นนะศึกษาธรรมะ ก, กันใหม่มาศึกษาด้วยการนะจเจริญทำให้มาก ศีล ส, สมาธิปัญญาหรือพูดง่ายๆก็คือว่ามาลดละนะแล้วก็มาขัดเกลาเพื่ออะไรนะก็เพื่อให้ชีวิตจิตใจโปร่งเบาสบายและทำให้มีความสุขไกลจากความทุกข์นะศึกษาทั้งโลกนี่ศึกษาเพื่อที่จะได้มีเงินเดือนเยอะ มีงานดีนะศึกษาเพื่อได้ไปเป็นไปรับราชการนะหรือว่าไปธรรมหากินแต่ว่าศึกษาของชาวพุทธเหล่านี้ศึกษาเพื่อความพ้นทุกข์นะถ้ายังไม่พ้นทุกข์ก็ให้มีความทุกข์น้อยลงน้อยลงน้อยลง คนที่มีงานดีเงิน ด, นดีมีชื่อเสีย ง, งก็ไม่เราจะไม่มีความทุกข์นะแต่าลาเกาหลีเนี่ยโอ้ยรวยเป็นที่รู้จักก็ยังฆ่าตัวตายเลยนะเขามีความทุกข์มากวันก่อนนี้นักร้องไทยนักดนตรีไทยคนน่มีชื่อเสียงก็ฆ่าตัวตายอายุเพิ่งสามสิบเองอันนี้เลยว่าการศึกษา อทางโลกมันก็ไม่ได้ช่วยทําให้หมดทุกข์ได้แล้ว ก, การที่มีเงินนะมากมีชื่อเสียงมากก็ไม่แปลว่าจะไม่มีทุกข์นะจะเอาอะไรนะระหว่างมีเงินเยอะๆร่ารวยมีชื่อเสียงนะแต่มีความทุกข์กับถึงแม้ไม่ร่ารวยไม่มีชื่อเสียงแต่ว่าไม่มีความทุกข์นะ เราอยากจะเลือกแบบไหนแต่คนบางคนก็ยังคิดว่าเออนะรวยเนี่ยถึงจะดีมีชื่อเสียงถึงจะดีถึงอแม้จะตายเร็วก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าให้บอกว่าโอ้ยต้องตายเพราะค่าตัวตายก็คงไม่เอาเหมือนกันนี่การมานะการมาฝึกฝนของพวกเราเนี่ยนะ ทางพุทธศาสนานี่ก็ถือเอาช่วงเวลาสามเดือนนี่แหละนะว่าเป็นช่วงเวลาที่มาฝึกฝนพัฒนาตนขัดเกลาจะว่าเป็นช่วงพักกายพักใจก็ได้นะโดยเฉพาะสำหรับพ่อแม่ออกนะสำหรับคารวะญาณโยมช่วงวำสานนี้ถ้าปฏิบัติตาม ตามธรรมเนียมนะก็คือการมาถือศีลโดยเฉพาะศีลแปดแล้วก็มาทำสมาธนะิจะทำทุกวันศีลหรือว่าจะทำตลอดการษานี่ก็ถือเป็นการพักกายพักใจเพราะว่าถ้าไม่มาถ้าไม่ถือศีลแปดนี่มันก็เหนื่อยกายเหนื่อยใจได้ง่ายนะเอาแค่กินข้าวเย็นนี่ก็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 ทำเสร็จแล้วก็กินกินเสร็จแล้วก็ต้องเก็บกวาดพวกนี้ทำไปไปบ่มันก็เหนื่อยทั้งนั้นแหละนะแต่พองดอาหารมื้อเย็นไปได้วิการโภชนาวลรัตมณีนิโอดมันประหยัดพลังงานมันทำให้ไม่เหนื่อยและยิ่งมีข้อต่อมานัจคีตวัธิตะวิสุกขทัศนาไม่ต้องเที่ยวไม่ต้องเล่นไม่ต้องขับลำ หรือว่าร้องนอันนี้ก็ทําให้ร่างกายมีกําลังวังชามากขึ้นเพราะว่าหลายคนนิ่มก็หมดนะหมดแรงไปกับการเที่ยวการเล่นเที่ยวเล่นร้องน <S <S ดึกดื่นเินนะเ <นะ S 2> ที่ยงคืนตีสองตีสามก็ยังก็ยังร้องเพลงคาราเกะก็ยังอยู่ในผับอยู่ในบาร์เต้นรํำนี่น <S <S พวกนี้มัน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 แต่หลายคนนี่พอหยุดงานมันก็ยังไม่ได้พักกายเท่าไหรนะ่เนี่เที่ยวเล่นเสพสุขนะอันนี้มันก็เหนื่อยบางทีเหนื่อยกับการทำงานซิอีกนะนการที่มาจําศีลเนี่ยนะมันจึงเรียกว่าเป็นการมาพักกายแล้วก็พักใจด้วยนะเพราะว่าเมื่อมาจําศีลที่วัดแล้วเนี่ยนะก็ได้มีโอกาสมาภาวนา แล้วก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับโลกภายนอกเพราะถ่ายังอยู่บ้านนะก็จะมีเรื่องไอแหล่งต่างๆมาทำให้กลุ่มใจแค่อยู่บ้านเนี่ยมีคนมาพูดมาคุยมาเล่านะเอาปัญหามาหรือบางทีเราก็ไม่ไม่มีใครเอาปัญหาให้เราเราเราต่างหาที่ไปเอาปัญห า, าต่างๆมาใส่ตัว เช่นดูโทรทัศน์อ่านหนังสือพิมพ์แค่ฟังขางเดียวนี้ก็ทำให้เครียดได้บางทีก็นอนไม่หลับเพราะเครียดกับเหตุการณ์บ้านเมืองนะอันนี้เรกว่าทั้งกายและใจก็ไม่ได้พักแลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการเข้าบรรษาเนี่ยมันเป็นได้ทั้งการฝึกฝนพัฒนาตน แล้วก็เป็นทั้งการพักกายพักใจด้วยแต่ว่าเพียงต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกใจกิเลสเะนั้นแหละอกิเลสมันไม่ชอบนะพราะหากว่ามาลดละเลิกนะตามตามข้อปฏิบัติของศีลแปดเนี่ยกิเลสมันไม่ชอบเพราะกิเลมันมันอยากจะ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 ติดการพนันพวกนี้นะตัวเจ้าของยังไม่มีความสุขนะแต่มันเลิกไม่ได้มันเลิกไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันครอบงําล้วบางทีเขาเรียกผีเข้าสิงนะผีการพ น, นันผีสุราอันนั้นแหละเป็นชื่อของกิเลสเป็นชื่อของมารให้การมาจําศีลเนี่ยนะ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 ตัวที่จะทำให้มีกำลังได้มีความตั้งใจแน่ๆเ น, นี่ยก็คืออธิษฐานอธิษฐานนเป็นภาษาบาลีนะแปลว่าตั้งจิตแน่ๆตั้งจิตมั่นที่จะทำความดีแต่ว่าอธิษฐานภาษาไทยมันเพียนไปมันแปลว่าขอนะอธิษฐาน ต่อเทวดาอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ร่ำรวยขอให้หายป่วยนะขอให้รวยรวยรวยนะอธิษฐานแบบไทยนี่มันไม่ต้องทำอะไรแค่ขอแล้วบางทีก็เป็นการสนองกิเลส ด, ด้วยเนะี่อย่างขอให้รวยรวยรวยเนี่ยอธิษฐานเนี้ยให้รวยรวยนี่มันสนองอะไรนะมันสนองกิเลสกิเลสเนี่ยมาอธิษฐาน แต่ถ้าหากว่าเป็นชาวพุทธเป็นผู้ฝ่ายธรรมเนี่ยก็จะอธิษฐานในภาษาบาลีก็แปลว่าตั้งใจมั่นที่จะทำความดีเ น, นเวลาจะเราจะเข้าพรรษาไม่ว่าพระโยมเนี่ยเมื่อตั้งใจจะเข้าพรรษาเพื่อฝึกฝนพัฒนาต น, นลดละ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 ไปเล่นไพ่แต่ว่าธรรมะเนี่ยนะไม่ยอมจะสู้กี่เลยได้ต้องมีความตั้งใจนแน่วแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพระเข้าพรรษาเนี่ยก็ต้องมีอธิษฐานแล้วอธิษฐานพรรษาไม่ได้ขอโน่นขอนี่นะแต่ว่าตั้งแต่ว่าเป็นการ ตั้งใจแน่วแน่นะว่าจะอยู่จำบรรษาครบทวนไต่มานะคำอธิษฐานของพระนี้สั้นๆ น, นะอิมั ส, สมิงอาวะเซออิมังเต ม, มาสังวะสังอุเปมิขนะ้าพเจ้าจะอธิษฐานให้ได้จำบรรษาครบทวนไต่มาอธิษนฐะานนี้เป็นบา ร, รมีอย่างหนึ่งนะบา ร, รมีสิทธนะนะการมาจำบรรษาเข้าบรรษาหรือว่าการมา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 แล้วก็ถ้าหากว่าฝึกให้จิตมีเมตตานะก็ได้เมตตาแล้วก็อุเบกขาพวกเรานะควรจะเสริมสร้างบา ร, รมีสิบให้เพิ่มผูนงอกงามนะและการมาจำพรรษาการมาจำศีลในช่วงเทศกาลเข้าภรรษานี้ก็จะทำให้บา ร, รมีสิบนะงอกงามมากขึ้น แต่ยางไม่น้อยนี่ก็ได้อธิษฐานบา ร, รมีนล้วนะกับศีลบา ร, รมีแล้วก็เนคขมะบา ร, รมีเนี่ยจำพรษาเนี่ยยังตามๆได้เนี่ยอาจจะได้ขันติแล้วก็วิริยะเพิ่มขึ้นมาด้วยและถ้ามาภาวนาก็ได้ปัญญาเมตตาอุเบกขานะวันการอธิษฐานบรรษานี้ก็ก็อย่าให้เป็นเฉพาะพระนะ พ่อแม้ออกญาติโยงก็อธิษฐานด้วยว่าตั้งใจจะแน่ๆจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเ <z ad> ช่นจะมาจําศีลทุกศีลก็ได้หรือว่าจะเลิกเหล้าก็ได้หรือว่าจะเลิกจะงดกานะรีงดเลิกการพนันนะ หรือว่าใครที่หมดเงินไปกับหวยมากๆนี่ก็ตั้งใจว่าพรรษานี้ก็จะเลิกเล่นหวยนะไม่ว่าใต้ดินบนดินใครที่บอกว่าโอ้ยพวกนี้ผ่านหมดแล้วไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ลองดูว่ามีมีนิสัยที่ไม่ดีอย่างอื่นไหมที่มันทำให้กายและใจเหนื่อยเช่นบางคนติดกาแฟบางคนติดโทรทัศน์ติดละคร บางคนติดเน็ตนะติดเฟซบุ๊กอ่บางคนชอบตื่นสายตั้งใจพรรษานี่จะตื่นเช้านะอย่างน้อยๆนะก็หกโมงเช้าเนี่ยคารวาทำได้นะ้ตีห้าบางคนก็จะบอกว่าจะขอพรรษานี่จะกินมังสวิรัตนะเพราะว่ากินอาหารตามใจปากแล้วมันสุขภาพแย่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 มันต้องทําอย่างนี้นะหรือว่าใครที่ไม่ได้ทําตามที่อธิษฐานไว้ก็ต้องอมีอมีบทลงโทษนะเช่นว่าอยากจะเลิกบุหรี่อยากจะเลิกกาแฟาเลิกไม่ได้เนยะก็ต้องจ่ายเงินนะใส่กระปุกออมสินห้าสิบาทร้อยบาทเนะี่ยวันไหนทำไมแล้วก็ต้องนะใส่กระปุกไปเลยแล้วเงินที่ เงินที่อยอกระปุกที่ก็ไปบริจาคเมื่อออกพรรษาแล้วเนะี่ยอันนี้สรารคารวะนะต้องทําอย่างนี้พระก็ทําได้นะเพราะว่านอกอย่างมากที่ถามพรรษาแล้วก็ตั้งใจว่าจะงดกาแฟนะหรือว่าจะตั้งใจจะภาวนานะอย่างน้อยนะวันละสามชั่วโมงเนะี่ยจะเดินจงกรมนะสร้างจังหวะหรือว่านั่งสมาธิให้ได้สามชั่วโมง หรือว่าใครตั้งใจว่าจะศึกษาพระไตรปิฎกในครั้งธรรัญ น, นีน้อ่านให้ครบส5่สห้าเล่มก็ได้นะถ้าไม่ลดละสิ่งที่ไม่ดีก็พยายามสร้างถาือทำความดีเพิ่มขึ้ น, นให้ใช้ช่วงเวลาเข้าบรรญานี่แหละนะไม่ต้องมากทำแค่อย่างเดียวก็ได้อธิษฐานแค่อย่างเดียวที่มันเป็นนิสัยที่ไม่ดีของเราหรือว่าอธิษฐานทาสิ่งดีๆนะ แค่หนึ่งอย่างแ ต, แต่ให้ทำทุกวันอันนี้จะได้ผลมากทีเดียว